คนที่ประมาทเนี่ยเมาแล้วขับขี่มอเตอร์ไซค์ซิ่งพวกเนี้ยส่วนมากจะตายทั้งนั้นแหละแต่บางคนไม่ตายก็พิการนะะบางคนพิการไปตลอดชีวิตเลยอย่างอย่างผมเนี่ยเห็นเป็นตัวอย่างอย่างนี้หละ่ะอันนี้ก็ขึ้นชื่อว่าประมาทเหมือนกันไม่ตายแต่เกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่พอ ร, รอดมาได้เนี่ยก็ต้องพิการตลอดชีวิต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 มันไม่แน่นอนอย่าไปยึดมัน่นถึงมันรับรู้รับทราบเอาไว้ไม่ปฏิเสธดีใจพอสมควรเนี่ยบางคนเห็นไหมสอบ entrance ติดโอ้ดีใจมากเลยดีใจมากแต่อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเข้าไปเรียนเนี่ยสอบไม่ผ่านไปเรียนปีแรกสอบไม่ผ่านต้องออกจากหมหาวิทยาลัยเห็นไหมอันเนี้ยแทบฆ่าตัวตายเลย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 ชีวิตจะเข้มแข็งมากอดทนกับความโกรธไหน ใ, หใครไม่เคยโกรธไหนใครเคยโกรธบ้างเอาล่ะขอบใจมากเวลาโกรธเป็นไงมีความสุขดีไหมอันตรายนะความโกรธเนี่ยความโกรธเกิดที่ร่ากายหรือจิตใจความโกรธเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่ามันคือนรกถ้าตายไปตอนนี้ตกนรกแน่นอนความโกรธเป็นความร้อน ความโกรธทำให้แก่วัยหน้าตาไม่สวยเขาจะบอกว่าถึงยามโกรธโปรดสองมองกระจกดูวิตก อ, อกเด่นเมื่อเห็นหน้าช่างปั้นยากปากจมูกและลูกตาดังยักษา์ราศีไม่มีเลยเวลาโกรธไปดูเถอะดูที่กระจกอะเหมือนยักษ์นะเขาจึงวาดความโกรธเป็นสิ่งที่มีเขี้ยวเป็นยักษ์ เพราะนั้นเกิดความโกรธต้องอย่าอดทนอย่าทําตามความโกรธอย่าพูดตามความโกรธถ้าทําตามความโกรธไปทํำลายเขาไปฆ่าเขาก็เสียอนาคตเองไปดา่าไปว่าเขาเนี่ยบางทีเขาเจ็บตัวเคยไปในสถานพินิษเคยไปในเรือนจําเห็นนักโทษที่อยู่ในเรือนจําเนี่ยอายุขณะพวกเรานี่แหละสิบเจ็ดตีแปดเนี่ยต้องไปติดคุก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 เพราะนั้นเราต้องรู้จักท้าทายพวกเราเนี่ยอายุน้อยๆกาลังจะเจริญเติบโตแล้วก็จะมีชีวิตอีกยืนยาวเราต้องกระตือรือร้ น, นอย่าเป็นคนหน่อยเหงากระตือรือร้ น, นมันจะได้เป็นคนที่แอคทีฟสดชื่นความกระตือล้นเนี่ยทาให้เราสามารถฝ่าฟันอุปสรรคการชีวิตไปได้ความขี้เกียจอย่าให้มีในตัวเราไหนตอนเช้าใครขี้เกียจตื่นนอนบ้าง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 เด็กว่าไงไหมอยากจะเป็นนายกสภ้าคนต่อไปหนูโตขึ้นจะเป็นอะไรเป็นนายพลและหนูล่ะจะเป็นหมออีกคนหนึ่งจะเป็นครูเขาถามว่าหนูตื่นขึ้นมาในพระพรหมหรือเปล่าบอกพระพรหมยังไม่เป็นเลยโถและใครพระพหมให้คุณแม่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 หนูรู้จักความใจลอยไหมเวลาใจลอยเนี่ยเราจะไม่รู้สึกอะไรเลยเราเหมือนไม่มีชีวิตแต่ถ้ามีความรู้สึกดึ้นมาเนี่ยเรากลายเป็นคนมีชีวิตขึ้นมาทันทีเพราะนั้นการมีสติเนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่หลงลืมตัวชีวิตไม่ผิดพลาดเมื่อเรามีสติแต่ถ้าเราเผลอใหม่แล้วก็มีโอกาสผิดพลาดในชีวิตได้มีสติเพื่ออะไร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 สติสามารถจำบทเรียนเราได้อย่างดีอันนี้สำคัญว่าคนมีสติทำไม่มีคุณธรรมกลายเป็นคนดีเวลาเกิดปัญหาชีวิตแก้ปัญหาด้วยการมีสติเราจะได้ที่พึ่งเป็นคนมีคุณธรรมเป็นคนดีเราจะเรียนเก่งเฉพาะวิชาการอย่างเดียวเนี่ยยังไม่เพียงพอแล้ว เราต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมด้วยเกง่งแต่โกงจเจ้าตัวไม่รอดคนเก่งแต่โกงเนี่ยตัวไม่รอดนะมันจะเป็นชีวิตที่ไม่มีคุณค่าเลยมีแต่การเอาเปรียบเพ็นแกตัวเนี่ยขาสตะนะิเห็นไหมกำลังฟังผมพูดเนี่ยเสียงอะไรดังหน่อยก็ไปดูเนี่ยขาสติแล้วเดี๋ยคะแนน <c oughs> เอากลับมากลับมาฟังใหม่โจนจะจบแล้วเอาฟังต่ออีกหน่อยหนึ่ง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 พวกเราถ้าไม่อยากไปดีแรง้งอยากเป็นหงอยากจะเป็นหงเราต้องเรียนเก่งและก็มีคุณธรรมด้วยอันนี้อยากจะขอฝากไว้นะอ่านตอนสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนเนี่ยมองมาที่ผมและก็ตรงพิจารณาดูว่าผมที่มีสภาพร่างกายอย่างเนี้ยการเคลื่อนไหวก็ลำบากนิ้วมือก็กระดิกไม่ได้ขาก็รีบ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 ใช้ชีวิตที่สมหวังแล้วก็จะมีความสุข